ได้เวลานะคะที่จะได้มากราบเรียนถามพระอาจารย์คือสติสโซติฟโลเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ท่านจะได้นำเอาพุทธวจนะมาตอบให้กับพวกเราช่วงเปิดทําที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะนมห ก, การท่านพ ร, พร้อมกันก่อนนะคะ อาจารย์คะท่านได้ไปสอนหลายที่มากเลยเพราะว่ารู้สึกนับวันกิจนิมนท่านมากขึ้นเรื่อยๆยต่ทราบว่าคำถามมากที่สุดที่เขาถามกันเนี่ยเป็นคำถามใดะครับอาจารยก็จำไม่ค่อยได้นะก็ต่อไปตามเหตุก็แล้วแต่ระดับของของผู้ฟังถ้าเขามีความ ความสนใจในศาสนาพุทธมากน้อยแค่ไหนในกลุ่มที่มีความสนใจน้อยก็จะถามไปในเรื่องของอนระกสวรรคช์ชาตินี้ชาติหน้าศา ส, สนามีความสําคัญอย่างไรมีประโยชน์ยังไงพระเจ้ามีจริงไหมอะไรเนี่ยอย่า ง, งความเชื่อยอย่างไม่อย่างลงมั่นพวกที่อย่างลงมั่นแล้วก็จะมีคําถามในแง่มุมของการประพฤติปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วจะทำยังไงให้ก้าวหน้าเครื่อนวัดสอบของการปฏิบัติดูจากไหนยังไงผลของการปฏิบัติเนี่ยตรวจสอบได้ไหมความเป็นอะไรบุคคลตรวจได้อย่างไรงยก็จะเป็นแง่มุมพวกนีค่ะคือถ้าเป็นคนที่ยังไม่ค่อยศรัทธานในพระาศาสนามากหรือยังไม่ค่อยไรู้ธรรมะมาก <c oughs> อันนี้จะถามเรื่องทั่วไป <c oughs> ใช่นะชาตินี้ชาติหน้า คนสนใจเรื่องชาตินิชหนาเยอะมากเลยก็เยอะเป็นธรรมดาะ<ม>ลรคนกลุ่มนี้จะมีเยอะอยู่แล้วนะ<ม>เพราะคนกลุ่มที่เห็นว่าทุกอย่างขาดสูเนเี่ยกลุ่มนี้ก็จะไม่เยอะนะเพราะเราดูเนี่ยคนส่วนใหญ่ถึงแม้จะอยู่ในป่าในเขาเนี่ยสแสวงหาที่พึ่งหมดนะเะฉั้นคนกลุ่มนี้จะมีมากก็ะนะจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผีสางนางไม้เทวดาชาติน้ ช, นชหนาเรื่องของกรรมโลกน้โลกหน้านะค่ะซึ่งก็ จัดเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็ค่อยๆให้ความรู้กันไปสมมุติเลยค่ะมีท่านผู้ฟังเอ้ยท่านผู้ชมที่อยู่ข้างหน้าจอเนี่ยก็เลยบอกว่าจริงๆด้วยนะสงสัยเหมือนกันชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าเป็นยังไงก็ท่านครับก็การเชื่อว่ามีจริงมีประโยชน์กว่าค่ะ คนจะไม่เชื่อก็ได้นะเพราะเขาก็บอกว่าหยิบชาตินี้ชาติหน้ามาให้ดูไม่ไดนะ้แต่คนเราก็หยิบพรุ่งนี้กับเมื่อวานมาให้ดูไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ผ่านไปแต่เราก็รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีรู้ว่าเมื่อวานมียมหยิบพรุ่งนี้มาให้ดูหน่อยส <c oughs> ิหยิบมาให้ดูไม่ได้นะนะนั้นตรงเนี้ยเราก็ <c oughs> อยู่ที่ว่าชาติคืออะไรนะคือการมีขึ้น ของจิตในอารมณ์ต่างๆพบพิสถานที่เกิดชราโมณะคือการดับไป <c oughs> หายไปของสิ่งส่งนั้นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกับคำว่าชาตนะิชราโมณะซึ่งตรงนี้มันก็โยงไปถึงชาติชราโมณะที่เป็นรูปประทัดร่างกายเหล่านี้ด้วยว่าถ้ามันแตกดับเมื่อไหร่นั่นก็คือชราโมณะมันเกิดรนะวมไปถึงอาการในจิตต่างๆ นั้น <c oughs> ถ้าคนมาสนใจเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาศึกษาคาของพระศาสดาเนี่ยก็จะค่อยๆออทาความเข้าใจได้ถูกต้องไปเรื่อยๆค่ะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถให้เห็นชัดๆหยิบมาจับมาดูไม่ได้อ <c oughs> แต่ความเชื่อที่ว่ามีน่าจะเป็นประโยชน์กว่าไม่มีถูกต้อง <c oughs> เพราะว่า คิดเขาจะคล้อยไปในทางกุศลมากกว่าอกุศลก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราไม่คิดว่ามีชาติหน้าพวกเราก็คงจะแบบอะไรกันตามสบายจบแล้วจบกันใช่ใชอยากจะเดียนถามกระเทนสมมติว่าเราทําอาณาป่าไปเนี่ยชาตินี้เนี่ยทําไปจนเราจนวันหนึ่งเราถึงกาละกาละลูกไปแล้วเนี่ยอเราเกิดใหม่ฮไอ้ที่เราเคยทําเนี่ยมันจะมันจะตามไป ตามไปตามไปในชาติใหม่ไหมคะอนุสัยเงความเคยชินของจิต mm hmm. ก็โยมทำบาปมันยังตามไปได้เลย mm hmm. ทำความดีมันก็ตามไปได้ mm hmm. นะสิ่งที่ตามไปก็คือความคุ้นเคยนั่นเองอนุสัยความเคยชินจิตเนี่ยคุ้นเคยกับการทำแบบนี้คุ้นเคยกับการทำแบบนี้นะอ่ะอะาพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชิน ผู้ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกา้านมีตัณหาเป็นเครื่องผูณนะเป็นผู้ที่สั่งสมความเคยชินเหล่านี้สั่งสมผัสสะเรามีผัสสะแบบใดล่ะแบบอุเบกขาแบบอักุศลแบบกุศลมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตามไปเนี่ยเรื่อยๆใช่ใช่ซึ่งเท่า ก, กับว่าไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำไม่ดีถ้าทำบ่อยทำมากหาก เรายังไม่สามารถตัดภพตัดชาติได้ตัดการเกิดมันก็จะตามไปทุกชาติจะเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่า อ, อ่านรู้ใฮะถ้าสมมติว่าคนทำไม่ดีมากๆฆ่าคนมากๆไปพบหน้าก็จะมีพฤติกรรมเยี่ยนนี้ก็เป็นความเคยชินนะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อในลักษณะที่เชื่อว่าชาติหน้ามีแบบาศาสนาพุทธนะจึงต้องให้เราสะสมความดีเพราะฉะนั้นถ้ า, าพูดถึงเรื่องของการ เจริญอาณาปณาาสติพอดีที่ท่านก็เห็นข่าวชิ้นหนึ่งก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าในเมื่อเขาเชิญชวนคนทั้งประเทศธรรมก็เลยอยากจะให้ท่านช่วยชีย้ให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติชิ้นนี้ตามพุทวจนะคือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานมหาไทยบ้างทางกระทรวงศึกษาธิการบ้างทางจังหวัดบ้างให้มีการทั้งสวดมนต์ทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อโอกาสที่สําคัญของประเทศเช่น โอกาสที่พระชจ้าอยู่หัวของเราจะมีพระชนมาายุครบ8 4พันสายอย่างเงี้ย น, นะคะคุณค่าของการที่เชิญชวนท่านทั้งหลายพอดีเขาไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์ประกาศไว้ <c oughs> จะมีอะไรบ้างไหมคะถ้าว่ากันตามที่พระพุทธองค์สอนไว้อืก็อยู่ที่ว่าเราสวดอะไรค่ <c oughs> เพราะพระศัสดาให้สวดคําของพระศัสดาที่บัญญัติเอาไว้ค่ะ <c oughs> นั้นก็เริ่มตั้งแต่บท ส, สวดเลยเป็นบทสวดที่ศัสดาบัญญัติหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่การสวดนั้นก็ไม่มีประโยชน์กลายเป็นเสียประโยชน์ด้วยซ้ำว่าเรากำลังสวดหรือทรงจำสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บัญญัติทรงจำบทพัฒนะผิดความหมายผิดอธิบายผิด <c oughs> บทพันะนั้นที่สวดนั้นเนี่ยคนสวดรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าไม่รู้เรื่องก็ผิดอย่างที่สองนะคือไม่เข้าใจ ก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างที่สองอย่างที่สามเนี่ยเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นไหมไประเด็นที่สามสี่ห้าที่ตามมาเพราะฉะนั้นการสาธยายธรรมหรือภาษาบาลีที่เรียกว่าสัจชายะการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อบิมุติเนี่ยก็คือใช้คำพู้เจ้าไหมเข้าใจไหมเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นไหม ถ้ามีห้าการนีนะ้ก็เกิดประโยชน์โดยตรงแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เกิดประโยชน์คะนะกลายเป็นจะเสียรประโยชน์ด้วยซ้ำคือจะต้องถามว่าสวดบทอะไรใช่บทพระพุทคธหรือเปล่ า, าสวดแล้วจิตตั้งมั่นหรือเปล่าเข้าใจไหมก่อนอ๋อต้องสวดแล้วต้องรู้เรื่องด้วยว่าสวดอะไรอยู่ใช่ไหมคะใช่ ไม่ใช่ว่าไปเรื่อยเป็นภาษาบาลีศักดิ์สิทธิ์ดีอือออย่างนั้นไม่ใช่ค่ะลาพังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ความรู้เรื่อง่งไม่ได้ความเข้าใจค่ะสวดบทพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วยังไงอีกนะคะท่านเกิดปิติก็คือเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเกิดความทราบซึ้งใจจากสิ่งที่เราสวดสาธยายนั้นอ๋อค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เกิดความสุขปิติตามมาด้วยสุขออืจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นสวดจนเป็นสมาธิ อะฮใช่ถึงจะได้ประโยชน์ใช่ค่ะทีนี้บทของพระพุทธองค์ถ้าที่รู้ๆกันอยู่ทั่วไปแล้วสามารถนำเอาไปสวดได้ทันทีนี่ท่านพอจะยกตัวอย่างชี้แนะได้ไหมคะว่าควรจะสวดบทไหนที่ใช่เลยแล้วรู้จักกันทั่วไปแล้วที่บทที่ทั่วไปนี่ก็คือบทโสตาปยังคัี ค, คือบทที่พระองค์เนี่ยอธิบาย วิธีสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธอีอธิบายความเริ่มสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพลันรัตนตายเอาไว้ <Okay. S 1> ว่าเริ่มใสายในพลันรัตนตรยยัยเนี่ยเริ่มสายอย่างไรกระสันเสริญอย่างไรมีความเข้าใจให้ถูกต้องต่อองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์นั่นคือบทของโสตาปิยังค์ขสี่ ท่านกำลังหมายถึงบทอิติปิโสภาคาวาที่เราสวดๆวกันน ะ, ะ่ะก็ลักษณะนั้นอ๋อค่ะงั้นดิฉันจำได้ว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยน่าจะใช้บทเ ห, เหล่านี้นะคะอิติปิโสที่บอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรแต่สรู้ชอบโดยพระองค์เองใช่มคะแล้วก็เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ เ, เ, เ, เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกออสอนบุคคลอย่างไม่มีใครยิ่งกว่านี่คือบทอิติปิโส มาด้วยบทสวากขาโตอันนี้เป็นสรรเสริญพระธรรมใช่ไห uh huh. ก็จะช uh huh. ี้เห็นคุณสมบัติของพระธรรมของพระพุทธองค์ว่าเป็นพระธรรมที่ไม่จํากัดการ uh huh. เป็นพระธรรมที่เอาไปปฏิบัติได้ในทุกๆ uh huh. คน uh huh. แล้วก็จะพบสิ่งนั้นซึ่งตัวเองเป็นปัจจิตตังของใครของมันแล้ว uh huh. รู้แจ้งแกตนเอง uh huh. อย่างนี้เป็นต้น uh huh. กับสุดท้ายก็คือบทสุปฏิปันโนที่จะพูดถึงว่าพระ ขอพานะครพระในคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของพระเจ้า uh huh. ต้องเป็นอย่างไรอ uh huh. ใช่ไหมคะสวดอันนี้สวดจนเข้าใจเนื้อรู้ความหมายแล้วสวดจนเกิดความปิติน้อมคิดไปตามด้วย uh huh. เราก็จะภาคภูมิใจนะคะว่ามีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรแล้วเราก็จะมีความสุขสวดจนจิตตั้งมั่นเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องกล้องกลับไปทบทวนการสวดมนต์ใหม่บางวันนี่เราก็สวดแบบ พอให้ได้สวดเหมือนกันนะคะารู้สึกเวลาน้อยก็ <c oughs> <c oughs> สวดแบบคุ้นเคยจะไม่ได้ประโยชน์นะได้บ้างไหมคะนิดหน่อ ย, อยอ ม, มันอยู่ที่ว่าเราตั้งเจตนาหรือเปล่านะค่ะั้นถ้าสวดสักแต่ว่าสวดไปรับใจเราก็ไปคิดเรื่องอื่นก็ก็เสียประโยชน์เนี่ยค่ะยังงั้นสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่จะนาสวดหรือว่า เป็นเจ้าพิธีกรรมเนยเชื่อว่าก่อนหน้าที่จะนําใครสวดมนต์เพื่อที่จะให้การสวดมนต์นั้นเกิดประโยชน์กับผู้ที่เราตั้งใจจะสวดให้ด้วยใช่ไหมคะเราสวดให้คนอื่นได้ประโยชน์ได้ไหมคะสวดให้คนอื่นได้ประโยชน์คนที่รับฟังการสวดของเราต้องฟังเราแล้วเข้าใจถึงจะได้ประโยชน์นค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะบอกวัตถุประสงค์สมมติเรามาสวดมนต์ เพื่อที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือได้ประโยชน์เพราะท่านกำลังไม่สบายอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะถ้าจะได้ก็ต้องมีการแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลต้องตั้งเจตนานะคือตั้งเจตนาตั้งแต่ก่อนสวดการตั้งเจตนาต้องทําจิตให้ปราศจากอาปุสสนนะแล้วถึงจะแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศล ดิฉันกลาวเรียนถามท่านหมายความว่าเมื่อท่านพูดคําว่าอุทิตบุญกุศลจึงชักเริ่มสงสัยนะคะว่าจะต้องแล้วมีคําว่าตั้งเจตนาด้วยเนี่ยตั้งเจตนาเมื่อจิตไม่มีอกุศลแล้วตั้งก่อนสวดหรือตั้งหลังสวดและอุทิศเนี่ยอุทิตตอนหลังส่วนเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไม่มีอกุศลมันจะก่อนจะหลังเมื่อไรที่ไม่มีอกุศลนะอบาง ค, คนก่อนก็ไม่มีอกุศลได้บางคนหลังก็ไม่มีอกุศลได้ กนหลังมันไม่เกี่ยวโอค่ะประเด็นมันอยู่ที่มีอกุศลหรือไม่มีค่ะนะฮะอ่าดิฉันก็ทําความเข้าใจฟ้องๆกับท่านนะคะว่าประเด็นอยู่ที่เราจะต้องมีจิตที่ไม่มีอากุศลไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเดียวเดียนใช่ถูกต้องแล้วเราก็ตั้งใจนะคะที่จะให้กับใครที่เราต้องการให้แล้วแผ่เมตตาให้กับเขาด้วยจิตที่ไม่เป็นอกุศลด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องนะคะ นี่แม่เป็นแง่มุมที่น่าสนใจเจ้าพิธีกรรมต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงจะสามารถทําให้กิจกรรมที่ท่านคิดว่าเป็นกิจกรรมอันแสนดีที่ตั้งใจทํานี้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะค่ ะ, คะเมื่อกี้นี้กราบเรียนทางท่านเรื่องสวดมนต์ uh huh. กิจกรรมในนั้นจะมีการพูดถึงการปฏิบัติด้วยค่ะท่านคะ่ะจะได้ประโยชน์อย่างไรกับการที่เอาคนเยอะๆมาอยู่รวมกันใส่ชุดขาวนั่งปฏิบัติร่วมกันค่ะอ๋อ uh huh. การปฏิบัตินะ่ะมันก็ดีอยู่แล้วการที่นำคนมาอยู่รวมกันเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้ามีการประชุมกันเนี่ยให้ทำกิจสองอย่าง ค, คือหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมะหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวเพราะนั้นคนมาประชุมกันแล้วเนี่ยเราก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมทำแค่นี้ก็ เพียงพอแล้วอเพราะฉะนั้นได้อา น, นิสงส์งแน่นอนจ uh huh. ที่จะจัดกิจกรรมอันนี้ก็ขออนุมโมทนาด้วยกันแล้วกันนะคะที่ฉันดูข่าวแล้วก็ชื่นใจฉันคิดว่าอยากมากราบเรียนถามท่านอาจารย์เพื่อที่ให้คนที่กําลังจะทําเนี่ยได้ทําได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ปรับปรือปิติมากยิ่งขึ้นถ้าอาจารย์คะขออนุญาตใช้เวลาที่เหลือกราบเรียนถามสองสาเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพราะพูดถึงการปฏิบัติสมาธิเนี่ยฉันเองก็ จะปฏิบัติในลักษณะของอาณาปานสติเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของการเจริญกายยะคตาสติจากอริยาบทอื่นๆเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆนะบางทีมันเผลอบออ่อยแต่ถ้านสมมุติว่าเรานั่งปฏิบัติมันเป็นที่ <c oughs> เป็นทางรู้ว่าขณะนั้นเป็นเวลาที่จะต้องอยู่กับสมาธิบางครั้งนะคลันนะมันมีเหตุการณ์ที่ว่าทําไมเรารู้สึกเหมือนกับเราก็ว่าเราพยายามนั่งนะแต่มันเหมือนกับมันโครงนิดๆตลอดเวลาค่ะ เมือความรู้สึกนะคะเราก็มไม่เห็นว่าคขาโคลงหรือเปล่าแต่ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับตัวมันจะโคลงนิดๆเขาเป็ไหวโครงเ่รอคะครูอาจารย์บอกถ้าจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงอแสดงว่าจิตมีการขยับจิตไม่นิ่งท่านคะสว่วนเล็กเนี่ยค่ะเล็กอยากจะถามว่าพอเราจะตั้งท่าว่าเราจะนั่งปุ๊กเนี่ยมันจะไม่ได้จิตมันจะไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่คิดว่าเราจะตั้งค่า น, นั่งเราจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันจะอยู่ในสมาธิออือก็เลยออเอ๊ะถ้าเราไม่ได้นั่งปฏิบัติในรูปแบบแล้วเราแล้วเราปฏิบัติ ด, ดูลมหายใจหรือว่าดูจิตเราในอิรยาบดอื่นในชีวิตประจําวันเนี่ยเรากลับทําได้ดีกว่าการที่ตั้งใจนั่งแล้วทําในรูปแบบอีก อ, อถ้าเป็นลักษณะ น, นี้เนี่ยเราเราควรจะทํา ทำไม่ได้ในรูปแบบมากกว่าเนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมไม่ได้เสียหายอะไรนะซึ่งมันจะเกือ้อกูลกันเองจริงๆแล้วจะเกือ้อกูลกัน <c oughs> เพราะบางทีเราทําในรีบทั่วไปเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายโดยที่เราไม่รู้ตัว <c oughs> พอมาทำํำในรูปแบบหรือว่าตั้งใจทําก็ไม่เกื้อกูลเพราะว่าตรงนั้นเราหลุดบ่อยค <c oughs> แต่ถ้าเราไม่หลุดบ่อยแล้วพอเรามา มีเวลาว่างแล้วมาตั้งใจทํามันก็จะได้ดีขึ้นดีขึ้นทีละเล็กทีลน้อยไปเรื่อยๆมันจะเกื้อกูลกันแหละจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไหนเนี่ยอย่างไหนจะดีหรือว่ามันจะก้าวได้ก็ตามเหปัจจัยแต่ละคนใช่ใช่การแก้ปัญหาที่ว่ามันรู้สึกคล่งๆนิดนิดทำยังไงก็ได้ครับอย่าลืมลงกลับมาอยู่กับลมมากๆอ๋อนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ย ออจิ ต, จตมันขยับใช่มันขยับนั่นถ้าจิตตั้งมั่นมากๆเนี่ยมันจะแน่นนะมันจะตั้งมั่นเป๊ะเลยกายจะนิ่งกึิ้งเลยน ะ, ะ, นะมันไม่ใช่ว่าไอ้โครงๆ น, นั่นอะเราจิตตั้งมั่นแต่มันโครงเองไม่ใช่ใช่ไหมนั่นเกี่ยวกับ<ม>จิตโดยตรงหรือว่าจิต<อ>มันต้องโครงแน่นอนมันถึงโครงนิดๆ น, <ช>นอกเหนือจากการที่มีความรู้สึกเหมือนกายโครง เวลาที่จิตขยับอย่างที่ท่านว่าแล้วเนี่ยสามารถมีอาการอื่นใดบ้างที่ปรากฏได้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลางอาการอื่นที่ปรากฏแบบที่มันไม่ดีมันจีปาถาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอย่างนั้นเราเราไม่พูดเรื่องตรงนั้นผู้พุทธเจ้าพูดในสิ่งที่ที่ปรากฏแล้วเป็นธรรมเป็นวินัยนะ นั้นพระุจ้าก็จะพูดเรื่องเช่นอกุศลไม่มีไม่ไปพูดเรื่องอื่นที่ปรากฏแล้วไม่มีประโยชน์ต้องพูดสิ่งที่ปรากฏแล้วมีประโยชน์คืออกุศลไม่มีวิตกวิจารณ์ไม่มีดับไปปิติดับไปสุขดับไปอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าเกิดข้อสงสัยอย่างใดให้มาเทียบเคียงกับของที่ถูกต้อ ง, องว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่สอดคล้องกับตรงนั้นโยนทิ้งแปลว่าไม่ใช่ใช่โยนทิ้งอย่างเดียว แต่ให้ท่านเมตตาช่วยพูดถึงของที่ถูกอีกสักครั้งได้ไหมคะว่าในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยที่ถูกเนี่ยตามพุทโธจนะต้องเป็นเช่นไรหนึ่งสังเกตว่าอากุศล ส, สามอย่างดับไปไม้คือการปฏิบัติเบียดเบียนเจมาการมสัญญาดับไปไม้ความคิดในทางเพื่อเพลินต่อรูปเสียงกลินล่นรสสัมผัส <c oughs> นิวรณ์ห้าดับไปไหม เสียงเป็นอุปสรรคต่อเราหรือเปล่าขณะนั้นวาจาดับไม้นี่คือเครื่องวัดความสงบขั้นต้นที่เรียกปฐมฌานจากนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถวางความคิดที่เป็นอุศนที่เรียกว่าวิตกวิจารลงได้อีกอันนั้นก็จะเรียกว่าทุติยฌานความสงบันดับที่สอง จิตเกิดปิติเกิดความสุขวางปิติได้เข้าชั้นที่สามวางสุขได้เข้าชาั้นที่สี่ตัวชั้นที่สี่มีเครื่องสังเกตอีกอย่างคืออาศาศาัาศสะปัสสะจะดับ ค, คือลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยจะดับลมหายใจมีแต่เหมือนไม่มีก็คือจิตเริ่มวางลูกปรสสัญญาการหมายรูในรูปในส่วนของธาดลม ก็คือณจุดนี้ถ้าเป็นจตุตฌานก็คือลมหายใจไม่มีในนี้นั่นนี่คือสสมาธิะระดับแรกที่ตรัดไว้ในสัมมาสมาธิในมัคมีงค8งก็ทรงแนะนำา4ขั้นนี้เท่านั้นนะสมาธิขั้นอื่นก็บอกไว้อยู่แนะนำอยู่แต่ยังไม่สันเสริมมากเท่า4ขั้นนี้ซึ่งบรรจุลงไปในส่วนสัมมาสมาธิในมัคมีงค8งเลย ถ้าหว่ามีการก้าวหน้าไปตามลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยมีไหยคะว่าวันนี้ได้อย่างนี้วันต่อไปมันอาจจะถอยกลับไปอยู่ตกต่ำกว่านั้นก็ได้่ก็ธรรมดาเรายัางไม่ชำนาญมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ะนะคะนี่ก็ทำให้ท่านหลายๆ <c oughs> อาจเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่ <c oughs> ท่านก็จะพอได้ทราบนะคะว่า ท่านกำลังปฏิบัติอยู่ในระยะไหนระดับไหนแล้วก็ถือว่ามาถูกหรือยังเพราะถ้ามาถูกต้องเป็นอย่างที่ท่าอาจารย์บอกถ้ามาผิดก็ต้องอย่างที่ดท่านเป็นครับมันโ<ต>ยกโยกคล่องคล่องกันก็คือคือต้องรู้จักสังเกตสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้ะอะไรที่มันรับรู้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีในบัญญัตินย่าโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งอย่างเดียวไม่สงสัยว่านี่อะไรนี่อย่างไร ปล่อยวางอย่างเดียวปล่อยวางปล่อยวางดูในกรอบที่พุทเจ้าบอกเท่านั้นสังเกตในจุดที่ควรสังเกตคือที่พุทเจ้าบัญญัติไม่งั้มันจะมีมากมายอ่ะนะจมลงไปในดินทะลุลอยขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวมีแสงสว่างเดี๋ยวกายแตกระเบิดจีปป้ปาฐะลิมิตแต่ละคนเนี่ยหลังผิดสงบแล้วหรือสงบชั่วคลาวนิดหน่อยๆมันก็จะท่งออกไปปรุงแต่งสารพัด ท่านบอกให้วางหมดวางหมดอย่าไปสนใจแล้วมานั่งบรรยายของผิดโอ้โหบรรยายอเนกปริยายไม่เกิดประโยชน์ อ, อความจริงฟังดูสิ่งที่ท่านพูดว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าบรรยายเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นก็มือหวาเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของคนเขาเนี่นี่ค่ะนะ คือหม่ต้องทิ้งเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเขานั่งเล่าเรามีความรู้สึกโอลกอฮอลไมเรถามเอ้เราก็ไม่เคยนั่นแหละคนต้องดีใจที่เราไม่มีประสบการณ์มากกว่าคนบอดไร้จากษุเพราคุยกันนี่ถ้าใจคะพูดถึงอ่ะเวลาได้ยินอะไรแบบนี้ต้องดีใจที่เราไม่มีใช่ไหมใช่คเราเดินตรงทางแล้วนะอ๋อถ้ามีอยู่ก็จะอย่างนี้เสียกําลังใจหมดไหมถ้าฟังไหมอ๋อจริงจริงต้องได้กําลังใจว่าเรารู้ฐานที่ถูก ่ะะ็จะได้เดินสูกทางไงค่ะเพราะฉะนั้น <ง S 1> ถ้าเกิดดิฉันเชื่อว่ามีบางคนนะคะมีประสบการณ์จริงๆพวกฟังไาเยอะค่ะท่านคะ <S <S ใช่จะมีประสบการณ์ที่แบบชวนตื่นเต้นแหม่หน่าสนใจมากแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เป็นเราโชคดีอะค่ะที่มารู้ธรรมะพุทธเจ้าไม่งั้นคงจะคิดเหมือนกันว่าไม่ไปไหน Group> นะคะอย่าไปสงสัยเช่นนั้นหรือไม่ก็พยายามจะไปมีประสบการณ์ผิดๆแบบเขาอีก่ใช่เอเราไม่เป็นไรจริงๆเลยค่ะถ้าอาจารย์คะตัดจากเรื่องของการปฏิบัติซึ่งคิดว่าวันน e kind of ี้ก oui ็พอของปากของคอมาที่เรื่องสืบเนื่องจากสัเลขธรรมในวันก่อนที่ท่านบอกว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะขูดเกลากิเลสต่างๆแล้วก็เป็นกิเลสที่พบอยู่ในคนทั่วไปอย่าง ที่บอกว่าเรื่องของฤศยาค่ะพอดีดิฉันไปเปิดประสูตรเกี่ยวกับเรื่องทําดีได้ดีที่อยู่ในเล่มนี้ยก็จะพูดถึงอนิสง์ของความเป็นคนที่ไม่ฤศยาไม่มักโกรธไม่กระด้างก็ถึงคิดว่าน่าจะเป็นกําลังใจกับคนที่ก็เข้าใจอ่ะว่าต้องขูดเกลาแต่มันขูดเกลาย่าจะได้ไปตังหน้าตั้งตาขูดเกลาเพราะว่ามีอนิสง์นะคะครับก็อนิสง์โดยหลักก็เพื่อ อย่างน้อยสุกติโลกสวรรค์ที่มาตรฐานเลยที่เราจะได้นะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งภพกรัพย์อย่างนี้เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งการมีผิวพรรณงามรูปร่างงามน ะ, นะเป็นเหตุให้เป็นคนที่มีภพกรัพย์มากนะ <c oughs> เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปัญญา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลอกุศลหมดไปเท่าไหร่ปัญญาจะยิ่งเกิดขึ้นเป็นฝักไฟแห่งความเจริญของปัญญาก็จริงๆแล้วมีมากนะทุกๆเรื่องในทางโลกที่เราต้องการมาจะได้หมดตราบใดที่เราผูดราวกิเลสกระทำสันเลกระทำอยู่เรื่อยๆก็ ค, คือเหมือนกับว่า ไม่ต้องไปสงสัยว่าจะได้อะไร uh huh. ได้อยู่แล้ว uh huh. สุคติโลกสวรรค์อ uh ื huh. นะคะก็เหมือนกับเราได้ฝึกตัวเองให้ดีขึ้น uh huh. พูดง่ายๆอย่างนี้นะคะก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนขอให้มีความเขาเรียกวอะไรคะมีความมุ่งมั่นที่จะขุดเราอ uh ื huh. ต่อไปค่ะถ้าอาจารย์คะพูดถึงคนเราเนี่ย นอกเหนือจากเรื่องความคิดอารมณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องที่ต้องขูดกลาวนี้เมื่อขูดกลาวได้หมดแล้วอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำช่วงไหนคะทำก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติหรือว่าทำทำภายหลังทำมาขูดกลาวกิเลทเนี่ยหรอต้องทำตลอดเวลาทุกขณะจิต อาการจิตเกิดขึ้นมาในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ต้องรีบพระรีบทิ้งรีบว า, างทันทะีทีนี้มีบางครั้งอะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะคนที่อาจจะแบบเป็นพระนะคะที่บางคนบอกว่าเอ๊ะท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ mm hmm. น้าที่เหมือนอกับว่าท่านหน้าที่จะไปสู่ลําดับขั้นของอพระอรหันต์ขั้แรกเลยนะคะพระอริยะ mm hmm. ระดับต่างๆแล้วแต่ทำไมดูบางทีท่านก็ยังมีอุปนิสัยใจคอแปลกๆที่เหมือนกับเราๆาท่านๆธรรมด า, าคือพวกเราเนี่ก็ต้องสงสัย่ <c oughs> ะคว่าเอ๊ท่านดูเหมือนกับหน้าที่จะวางของพวกนี้ได้แล้วอ ย, อย่างเงี้ยค่ะก็ธรรมดาอ่ะนะมันมันมีหลายระดับหลายขั้นโดยปกตคิความเป็นเสขษฐบุคคลก็ต้องฝึกขูดเกากเลดในแบบที่อ่า ปุถุชนทั้งหลายเป็นกันเมื่อถึงในระดับหนึ่งที่กิเลสเหล่านั้นวางได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแล้วเผนผ่านนาคามีเนียจะมาสนใจทําลายกิเลสเกี่ยวกับเรื่องกายไหมเขาก็ไม่มายุ่งแล้วเพราะเขาทํางานอีกหน้าที่หนึ่งแล้วเขากําลังทำทำงานในหน้าที่ของจิตที่เขาจะต้องล ะ, ละความพอใจไม่พอใจในธรรมลมต่างๆนะครับ นั้นในส่วนของร่างกายก็ไม่ได้มามายุ่งมากังวลหรือคิดว่ามันจะเป็นกิเลสอี่คนที่ยังคิดว่ากายเป็นกิเลสก็ก็ยังมองประเด็นนั้นเป็นประเด็นสําคัญแต่คนนี้ไม่ได้มองประเด็นนั้นสําคัญแล้วไปมุ่งเดลนอื่นส่วนพระลหัน์ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือหอลุดพ้นทั้งอาการจิตธรรมอารมณ์ต่างๆอาการในส่วนของกาย <c oughs> ก็ยิ่งไม่มีความต้องไป สนใจที่จะระมัดระวังอะไรเพียงแต่ก็คุ้มครองข้อปฏิบัติต่างๆให้พออยู่ในล่องในลอยด้วยการที่มีความยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยำเกรงในศีรษะสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติก็ไม่พยายามที่จะละเมิดก็เป็นอย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่อยู่ใน อนุใสเนี่ยเล็กๆน้อยๆที่ที่มันไม่มีผลใหญ่กับการที่จะละกิเลตเนี่ยท่านท่านก็จะทาได้หมดแต่ส่วนเล็กๆน้อยๆเนียน่ยที่ติดอยู่อยู่ในอนุสใสก็ยังสามารถที่ยังที่จะปรากฏเนี่ยให้เราเห็นได้ใช่ใช่ต้อ ง, องใช่ต้องพูดว่ามันยังปรากฏออกมาได้เพราะก็ไม่ได้มีมีความอยากที่จะไปทําผิดอะไรเพียงแต่อ เป็นความเคยชินเก่านะที่ที่กรรมเก่าคือการกระทําเก่าๆเนะี่ยทํามามากจนเคยชินเหมือนกับพวกพราหมณ์ที่เคยเกิดเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์มาหลายร้อยชาติก็ก็เวลาพูดจาก็รู้สึกว่าเหมือนกับอโอ้อว<ก>ดอใหญ่โตอโอ้อวดใหญ่โตนะอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นนะซึ่งผู้เจ้า ก็บอกว่าอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านหลุดปนแล้วน ะ, ะพระองค์จึงบอกว่าสินสิกขาบทในระดับอภิสมาจารย์เนี่ยคือสิกขาบทที่ว่าด้วยมารยาทและโจรซึ่งมีจํานวนหลายพันข้อที่พิสูจน์ต้องรักษาอาริบุคคลทั้ง4ี่ระดับก็สามารถบกพร่องได้เป็นเหตุเพราะว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพ ต่อการบรรลุโลคุตระธรรมด้วยพระเหตุสักว่านะวันนั้นความเป็นสาวกไม่ใช่สัพันธ์อยู่จึงมีข้อบกกร้องในส่วนละเอียดเป็นธรรมดานะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเหตุให้าศาสนาเนี่ยค่อยๆเสื่อมไปโดยอัตโนมัติในตัวของมันเองเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้พระละหัน หรือผู้ที่บรรลุทำแล้วเนี่ยจเจริญสติปัฏฐานสี่ต่อไปอเพื่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมของท่านและความความรู้ตัวรอบคอบตรงนี้จะทำให้ข้อปฏิบัติข้อบัญญัติต่างๆที่พระองค์ได้บัญญัติไว้เนี่ยมันจะได้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนะเห็นอ๋อค่ะเทกับว่าจิตแยกกันกับ การกระทําทางกายใช่ไหมคะท่านก็ปฏิบัติทางจิตของท่านอยู่แล้วหละเพียงแต่พวกนี้เป็นอนุสัยเดิมอแล้วก็พระพุทธองค์ก็ยังบัญญัติเอาไว้ด้วยซ้ําไปเรื่องเกี่ยวกับวินัยนะปะคะที่เป็นอภิสมาจารย์เกี่ยวกับมารยาทและโคจรมารยาทและโคจรท่านอาจารย์ครพอจะให้คำจำกับความที่ชัดเจนขึ้นมาอีกนิดไหมคะว่าเป็นพวกอะไรคะมารยาทและโคจรมารยาททุกอย่างควรทําไม่ควรทํา ใช่โครจรคือการมากันไปค่ะจะมาจะไปที่ไหนเนี่ยจะทํำยังไงแต่พี่เป็นพันข้อเนยนะคะคือมันกับว่าท่านสรุปรู้วมันมีแค่มารยาทกับโครจรเรานึกไปไม่ออกว่าจะแตกไปเป็นพันพข้อได้ยังไงเช่นการกินการกินการเดินการนั่งการยืนอ ย, อย่างเลยแค<อ>่าการกินนี่ก็เยอะแล้วกินกินเรื่องเดียวนี่สักกี่ข้อกินไม่เรียบร้อยกินมุงมาอะไรอย่างนี้เป่าเยอะเป็น10บหรือไม่เป็น10บิข้อเลย เช่นย่าฉันเลียมืออย่าฉันเลียบาดยาฉันเลียลิมฟิปากอย่าทํากระพุ้งแก้มตุยปากยังมีคําข้าวเราจักไม่พูดเดี๋ยวนี้นะให้จ้องดูอยู่ในบาดฉันบินทบาทนะให้มีเสียงน้อยนะโอ้ซดน้ําแกงเสียงาัก็ไม่ได้อย่างเงี้ยทําเสียงดังจับจับสุลุสุลุสู้ซาบนี่ถึงแม้ว่าจะบรรลุไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ควนรักษามารยาทตรงนี้ไว้เป็นข้อหน้าสังเกต นะคะที่ว่าพระพุธทธองค์เนี่ยเรื่องเดียวนี่อย่างโหมีแง่มุมละเอียดมากหมายความว่าการสํารวมระวังเนี่ยต้องเกิดด้วยทุกขณะทุกขณะจิตเลยค่ะเป็นอาการจิตหมดเนี่ย<อ>แล้วตอนนี้บางทีอะไรบุคคลบางคนเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องเล็ก เ, เน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่ทําเสร็จแล้วอ่าซึ่งการมองว่าเป็นเรื่องเล็กเนน้อยเนี่ยได้เป็นความอาภัพของท่านอ๋อ ที่ท่านมองไม่ออกว่าไอ้เรื่องเล็กน้อยนี่แหละมันเป็นตัวท ำ, ทำให้ศาสนาเสือสสเส่อมอนะนะคะ่ะสำคัญมากคือดิฉันจับแง่มุมนี้คือหมายความว่าเวลาถ้าเราจะมาฝึกตัวเองเหมือนกันดังนั้นรายละเอียดจึงเป็นเรื่องสำคัญใช่ใช่คะรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยในการจะฝึกคนเนี่ยจะทำให้ฝึกได้ประณีมากกว่าใช่ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ไม่ บัญญัติว่าไม่ได้เป็นเครื่องกีดขวางการเป็นพระอริยะ uh huh. คะ uh huh. แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เสื่อมเกิดขึ้นกับศาสนาได้นะคะเพราะว่าความที่ไม่สํารวมของผู้ที่เป็นสาวก uh huh. อยู่ในพระศาสนานั่นเองว uh huh. ันนี้ได้ความรูเยอะท่านอาจารย์คะ uh huh. โอกาสหน้านะคะ uh huh. เลี้ยงขออนุ ญ, ญาตทราบสักเรื่องหนึ่งคล้ายๆกับเรื่อง การชันเนี่ยค่ะพี่ว่าพุทธองค์บรรยัตไว้ละเอียดอย่างไรเพราะเราจะได้เห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีระเบียบมากจัดระเบียบพระสงฆ์ไว้มากอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนสักเรื่องเล็กเล็กเดี๋ยวกันนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้กราบขอไปก่อนและก็ขออนุญาตที่จะอ่านพุทธวจนะส่งท้ายในวันนี้ซึ่งจะเลือกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอันิส้สงของการที่ไม่เป็นคนริษยาไม่เป็นคนโจรีค่ะทุกผู้ชมที่เคารพคะสําหรับ ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องอนิสงค์ของการที่ละนิสัยที่ไม่ดี น, น, นะคะจะอยู่ในปฐมธรรมหน้าที่145เรื่องธรรมดีได้ดีที่ฉันขออนุญาตตัดตอนบางช่วงเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่ได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของการเป็นคนไม่มักโกรธไม่มีใจริษยาไม่กระด้างพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธ มีใจไม่ริษยาเป็นคนไม่กระด้างถ้าไม่มักโกรธท่านก็อธิบายว่าไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบามไม่มากร้ายไม่ทําความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จะเป็นคนน่าเลื่อมใสส่วนผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสการะ ความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปก็จะเข้าสุคติโลกสวรรค์และจะเป็นคนมีศักดิ์ามากอันนี้ดิฉันอ่านแบบย่อนะครับเพราะเวลาเหลือน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างคือไม่เย่อหยิงย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาตายไปก็จะถึงสุคติโลกสวรรค์และถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะคะบอกว่าจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ถ้าอยากอ่านเต็มๆดิฉันอยากจะให้เพียรณานะคะในรายละเอียดก็หาหนังสือ พุทธเนวัจจนะชุดปฐมธรรมถ้าไม่รู้จะหาที่ไหนมาที่วัดนาป่าพงนะคะลำลูกกาคลองสิษปทุมธา น, นีซึ่งท่าน ค, คลียร์โสธิพโลพระอาจารย์ของเราเนี่ยนะคะเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่วันนี้ก็มานมหัสกรรขอบพระคุณท่านด้วยกันนะคะ สดีครับผมสิทธิพันธ์นวสวรนนท์ครับผมเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัทกันบินไทยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเสนอแนวความคิดหรือข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับประสบการณ์ในการอุปสมบทที่วัดนาป่าพงโดยจุดเริ่มต้นของกระผมเองนั้นครั้งแรกที่มาวัดนาป่าพงนี้ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวจากที่ใดแต่ด้วยความที่มีความจิตใจตั้งมั่นว่าอยากจะอุปสมบทในวัดป่า จึงได้พาคุณแม่ขับรถตะเวนหาวัดแถวๆนี้ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายพอตะเวนรอบๆ บ, บ, บริเวณนี้ปุ๊บก็เลยเข้ามาเจอที่วัดนาป่าตรงนี้เคยเข้าไปเรียนกับเรียนท่านอาจารย์สอบถามถึงแนวทางการอุปสมบทแล้วก็ได้เจอปฏิปทาของพ่าอาจารย์ในการบอกถึงการอุปสมบทที่ไม่มีเงื่อนไขหรือหรือความยุ่งยากอย่างไรเพียงแต่ว่าบอกท่านบอกแค่ว่าอย่างน้อยอุปสมบทหนึ่งเดือนแล้วก็ ะจะต้องอมีแค่สิ่งเดียวที่จำเข้ามาคือผ้าขาว2ชุดเท่านั้นก็เลยเกิดรู้สึกความเริ่มใส่และกลับเข้ามาสอบถามราชการ เ, เองจนได้เกิดความจริงที่ตั้งใจไว้ก็ที่จะอุปสมบทนะครับก็เลยเข้ามาที่วัดหลังจากที่ได้เริ่มต้นจากการเป็นผ้าขาวและจนถึงเป็นสมณะนนและจบท้ายด้วยการเป็นภิกษุ ข, ของบรรณาป่าพง ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางของพุทธวจนะของพระอาจารย์เคลิศสุธิพหลซึ่งเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะอุปสมบทเนี่ยผมเป็นคนที่จะไม่ค่อยศึกษาหรือไม่ค่อยจะศรัทธาในเกี่ยวกับทางพุทสักเท่าไหร่จะมีคําถามอยู่เรื่อยๆว่าทําไมเราถึงสอนเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในสิ่งที่เป็นหลักพิธีการปฏิหารแต่หลังจากที่ผมได้ตั้งใจเข้ามาศึกษาแล้วได้เจอปฏิปทาแนวทางของพุทธวจนะของพระอาจารย์เคลิศ ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมต่อยอดแนวความคิ ด, ดต่างๆได้เยอะในส่วนตัวของผมเองผมรู้สึกว่าผมปราบปื้มและมันรู้สึกปิติมันจะใช้ความรู้สึกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากใช้คําว่าปิติอย่างเดียวเพราะว่าเราได้รองจนวันหนึ่งผมไม่เคยแม้กระทั่งจะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหลังจากที่ในช่วงดวลาที่ผมอุปสมบทที่นี่ผมได้รองดูแล้วได้เห็นว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้วเราได้เรียนรู้จากคําขององค์พระศาสดาของเราโดยตรงและเป็นคําที่พระอาจารย์ที่วัดพยายามให้เราลองศึกษาดูเราจึงได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างคําคพูดของครูบาอาจารย์ซึ่งก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ในส่วนหนึ่งที่เราเห็นภาพได้ก็คื อ, อาสามารถพิสูจน์ได้จริงๆแม้กระทั่งตัวผมเองการที่จะมองอาการทําสมาธิหรืออนาปาญสติไปสู่ ชาตที่นที่สอที่ที่ตัวผมเองอาจจะไม่ถึงจุดที่จะไปสูงสุดถึงชาวิที่4นะครับแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ประสบสิ่งต่างๆที่เป็นแนวทางที่ดีกับชีวิตและปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินแนวทางในการที่จะมีการนั่งสมาธิและก็มีสัมมาทิฏฐิในจุดเริ่มต้นจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะใช้หรือจะ ทำสิ่งใดสักอย่างนึงในชีวิตให้มันเกิดกุศลหรือไม่ว่าในแนวทางของกุศที่บุตรหนุ่มของเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีการอุปสมบทอยากจะให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าคําพูดใดๆก็แล้วแต่เราล้วนแต่นํามาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือองค์ศาสดา ข, ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รู้จริงเห็นจริงจากแนวทางของท่านไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยผมเรียนตอบได้ยงตรงว่าไม่ยากจริงๆครับผม ผู้ทวจนะดิฉันเองก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะและเข้าใจว่าท่านชมก็เช่นเดียวกันนะคะมีหลายเรื่องมากทั้งในเรื่องของการที่เข้าถึงพระวินัยนะคะในส่วนแง่มุมของการปฏิบัติที่ถูกต้องลำดับของความถูกต้องนั้นจะต้องเป็นไปอย่างไรการขูดกลาวนิสัยที่ไม่ดีจะมีผลดีต่อเราอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นลําพังแค่รู้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่วนถ้าจะให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติค่ะและรายการนี้เราเชื่อว่าพุททวชนะของพระพุทธองค์จะนําความสวัสดีมาให้กับพวกเราทุกๆคนที่ศรัทธาและนำเอาไปปฏิบัตินะคะติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจําทุกวันที่นี่ค่ะพรุ่งนี้เราก็พบ ก, กันใหม่สําหรับวันนี้พุทโธสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการพระเจ้นานเนี่ยอ่า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 เพื่อปราลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นมสมบมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน